Mm hmm. การเจริญสติการภาวนาหรือทำกรรมฐานสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหรือว่ากริยาการที่แสดงออกแต่ว่าอยู่ที่ใจคือการวางใจให้ถูกต้องงั้นถ้าเราแม้จะเดินจงกรม สร้างจังหวะหรือว่าตามลมหายใจนะแต่ว่าปล่อยใจฟุ้งซ่านหาเรื่องคิดทัง น, นั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติได้ไม่เต็มปากเต็มคำเรียกว่าเป็นการทำฟรีๆมากกว่านะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกในทางตรงข้ามถึงแม้ว่า จะดำเนินชี่ิตประจำวันนะแต่ว่าก็ตามดูรู้ใจเมื่อส่งจิตออกนอกก็รู้เมื่อมีความาคุณคิดในทางกรรมในทางโทสะก็รู้นะแล้วก็วางมันลงได้อันนี้ก็เราเป็นการปฏิบัติมากกว่า แม้ว่าอยู่ในอิริยาบทนอนหรือว่าพิงเสาอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติเพราะว่าใจนั้นเนี่ยย่อมมีความตื่นรู้นะหลักอย่างหนึ่งในการช่วยวางใจให้เหมาะกับการปฏิบัตินะหลวงว่าเทียนท่านได้แนะนำไว้นะ สมัยทีย่ตะมาบวชใหม่ใหม่ไปปฏิบัติกับท่านท่านก็บอกว่าให้ทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆทำเล่นๆในที่นี้หมายความว่าทำโดยไม่หวังผลมันจะหลุดมันจะหลงไปบ้างนะก็ช่างมัน เหมือนกับเวลาเราทําอะไรเล่นฟุตบอลนะเล่นแบบเล่นเล่นเนี่ยนะแพ้ชนะก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าเราไม่ได้นะหวังชนะอยู่แล้วทําเล่นเล่นคือไม่ได้ทําด้วยความอยากไม่ได้ทําด้วยความคิดว่าจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ทําใจสบายสบาย เวลาจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยก็ลองมาดูใจของเราสักหน่อยนะว่าใจเราเป็นอย่างไรนะก่อนจะเดินนะก็ยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยหรือแม้กระทั่งเวลาเดินแล้วรู้สึกว่าต้านตามข่้าเคร่งนะก็ลองผ่อนคลายกายของเรายิ้มให้กับตัวเราเอง ให้การยิ้มเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้ใจผ่อนคลายได้ถึงแม้ว่าตอนที่ยิ้มนั้นใจอาจจะรู้สึกเคร่งรู้สึกตึงแต่คนเราเวลาอารมณ์ดีเราก็ยิ้มในอีกด้านหนึ่งพอเรายิ้มเนี่ยมันก็ช่วยน้อมใจให้อารมณ์ดีหรืออารมณ์อ่อนโยนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การฉีกยิ้มนะ แต่ว่ามันก็ช่วยทำให้ใจผ่อนคลายได้ง่ายเหมือนกันหลายคนนะเวลาปฏิบัตินี่ทำด้วยความอยากพอเผลอไปนะพอหลงไปก็จะเริ่มรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจก็จะเริ่มที่จะไปไปเพ่ง ไปควบคุมจิตเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจมันหลุดลอยจะพยายามเอาชนะให้ได้เอาชนะและเอาชนะความฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนใจมันก็ยังฟุ้งซ่านไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยิ่งไม่พอใจพยายามเพ่งแล้ว มันก็ยังหลุดมันก็ยังลอยก็ยิ่งเพ่งหนักเข้าหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ไปดักดูความคิดไปดักไปเฝ้าดูความคิดเหมือนกับแมวที่คอยดักดูหนูตรงตรงปากรูของมันอ่ะถ้าไปดักดูความคิดนี่ ก็จะรู้สึกว่าใจมันหนักใจันเครียดมากขึ้นและยิ่งพอมีความคิดออกมาก็ไปตะปบมันไปกดมันเอาไว้นะอันนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เครียดเพราะว่าใจนี่มันมีพลังจะไปกดข่มมันนี่มันก็ไม่ยอมยิ่งกดยิ่งข่มมันยิ่งสู้เหมือนกับวัยรุ่นนั่นนะ หรือเด็กยิ่งห้ามก็เหมือนก็ยิ่งยุกถ้าคนที่พยายามตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็จะตกลุมในลักษณะนี้ก็คือไปเพ่งที่กายหรือไปเพ่งที่จิตไปพยายามควบคุมจิตพยายามดักดูความคิดไม่ให้มันขุดมันโผล่ทั้งทังที่การปฏิบัติเนี่ย เราต้องให้มันมาก่อนให้ความคิดมันเกิดขึ้นก่อนนะถึงค่อยรู้มันอันนี้คือความหมายว่าตามรู้ตามรู้คือรู้ทีหลังรู้ตามหลังไม่ใช่ตามติดนะบางคนไม่ค่อยจะว่าตามรู้คือตามติดติดมันคิดอะไรก็ตามมันติดติดนี่ก็หลุดเข้าไปในความคิดเลยอันนั้นก็ไม่ใช่หรือว่าไปตบปบกดข่มมันก็ไม่ใช่ ถ้าเพียงแค่รู้เฉยๆใหม่ๆก็จะรู้ได้ช้าก็ไม่เป็นไรไอการรู้เนี่ยนะมันก็มีอนุภาพพอแรงอยู่แล้วเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนะุลโนว่าทำยังไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ดูลก็ตอบว่าความโกรธตัดให้ขาดไม่ได้หรอก เพียงแค่รู้มันเท่านั้นแหละมันก็จะดับไปทําเล่นๆ เ, เนี่ยมันมันจะช่วยทําให้เราสามารถจะทําได้นานแต่บางคนก็ไปเข้าใจว่าทำเล่นๆคือว่าทําบ้างหยุดบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนท่านก็ย้ําในย้าว่าเนี่ยทำเล่นๆแต่ทําจริงๆไอ้ทำจริงๆเนี่ยหมายความว่า ทำไม่หยุดนะตื่นขึ้นมารู้ตัวก็ทำเลยเคยถามท่านว่าจะปฏิบัินี่ทาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าปฏิบัติเหมือนกับเวลาราชการก้าโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นท่านบอกตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ก็ตกใจนะโอ้ขนาดปฏิบัติแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เครียดก่อนหนักแล้วนี่ให้ทำทั้งทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนนี้มันสิบกว่าชั่วโมงนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงจะไหวหรือมันไหวนะถ้าเกิดว่าเร า, เราทำเล่นๆทำโดยไม่เพ่งทำโดยไม่ไปพยายามบังคับควบคุมจิต แต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำเล่นๆนี่คืออะไรก็ไปพยายามที่จะเฝ้าดูเฝ้าดูจิตฉันี้ที่เรียกว่าคุมจิตแจเลยนะพอมันเผลอคิดก็ไปกดมันทำบ่อยๆนี่ทำเป็นอาทิตย์นี่ปรากฏว่าความคิดนี่มันหลบในเลยนะมันไม่โผล่มา แต่เรารู้สึกหนักรู้สึกหนักมันไม่เบาแล้วปรากฏว่าพอเราเผลอเนี่ยเช่นใกล้จะนอนเนี่ยไอ้ความคิดที่มันอัดที่มันซ่อนอยู่มันก็พลั่งพลูออกมามันเหมือนกับทำนกแตกนะเอาไม่อยู่เลยนะแถมไปโผล่ในความฝันอีกอันนี้เพราะอะไเพราะว่าเราทําผิดวิธีนะเราไปพยายามบังคับควบคุมแล้วกดข่มความคิด ก็ตั้งใจจะเอาชนะมันให้การปฏิบัติเนี่ยต้องวางนะความอยากจะเอาชนะไม่ว่าชนะความคิดฟุ้งซ่านหรือชนะกิเลส ก, ก็แล้วแต่ทําไปเล่นๆ น, นะบางทีหลวงพ่อเทียนเขาก็บอกอย่าพยายามเพราะความพยายามเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกดข่มหรือว่าหาทางไปบังคับควบคุมความคิดไปบังคับควบคุมจิต ท้ายก็เครียดแล้วคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็จะมีอาการหลายอย่างบางคนก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกนะบางคนก็จะรู้สึกว่าปวดหัวนะถ้ามีอาการอย่างนี้แสดงว่าวางใจผิดแล้วคือว่าตึงไปทำด้วยความอยากบางคนมีอาการนะหนักนะอย่างไม่น่าเชื่อ หลวงพ่อคำเขียนเคยเล่านะตอนที่ไปจาบรรษาที่วัดโมก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็มาปฏิบัติแกก็ดูท่าทางตั้งใจจริงวันหนึง่งแกไม่มาทําวัดเช้าถึงเวลาฉันถึงเวลากินข้าวแกก็ไม่มาพ่อก็เลยแปลกใจเลยไปหาที่กุตติพอเรียกชื่อนี่ แกก็เรียกเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อนะช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามือแกค้างแก่ยกมือสร้างจังหวะแล้วมือมันค้างถามก็ได้ความว่ามันค้างตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ทําวัดก็เพราะว่ามือมันค้างนะจนถึงเวลาหลังเวลาฉันมือก็ยังค้างกี่ชั่วโมงะนะลองนึกดู หลวงพอ่อเจอแบบนี้ท่านก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยชวนคุยนะชวนถามถามเรื่องครอบครัวมีลูกกี่คนลูกคนที่ทําอะไรลูกคนนั้นทําอะไรออกเรือนแต่งงานหรือ ย, ยังลูกมีลูกกี่คนนะอาชีพอะไรบ้างชวนคุยนะแกก็ตอบนะคุยกับหลวงพอ่อได้สักพักมือที่ค้างอยู่ก็ตกเลย ตกแล้วยังไม่รู้ตัวนะก็ยังคุยกับหลวงพ่อต่อจนทั้งหลวงพ่อชี่อถวเนี่ยมือมันหลุดแล้วเนี่ยก็ดีใจว่ามือหลุดแล้วเป็นพ่ออะไรนะพ่อแกไปเพ่งไปเพ่งเนะ่เพ่งจิตเพ่งเข้าไหนน้ำพ่อทำด้วยความอยากมันก็เพ่งไปเพ่งจิตพอเพ่งเข้าไหนมากๆนี่ปรากว่านะมันติด หลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนทําคือพยายามแงจิตออกมาพยายามแงจิตออกมาเพื่อคือคือดึงจิตออกมาเพื่อรับรู้โลกภายนอกชวนคุยเพื่อให้จิตเนี่ยมันคลายนะจากความจากการเพ่งให้มารับรู้เรื่องนอกตัวบ้างจะเรียกว่างแงส่งจิตออกนอกบ้างกนะ็เพื่อให้จิตมันคลาย มันจะมีการแปลกๆนบางคนบางคนก็อย่างที่นี่ก็เคยเป็นพอทำมากๆเข้าตัวแข็งนะเหมือนกับว่าจะเป็นลมรับรู้ได้แต่ขยับเขยื่อนไม่ได้ที่รังว่าไม่สบายตอนนล้งพอไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลแก้งคอหมอไม่ทันทำอะไรก็หายเลยนะเพราะว่าจิตมันคลายนั่นการที่ ถ้าตั้งใจทำมากๆเนี่ยนะมันมันจะทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายแล้วก็มันไม่ใช่เครียดที่ใจนะบางทีกายก็เครียดตามไปด้วยแล้วก็มีอาการแปลกๆบางคนที่ต้องให้เลิกปฏิบัติไปเลยพอเลิกปฏิบัติก็ดีขึ้นแล้วจิต ท, ที่มันเพ่งเนี่ยนะเวลาเพ่งเข้านายแล้วเนี่ยนะบางทีจะ ปรับให้กลับสู่ปกตินี่ยากนะมันไม่เหมือนกับคนที่ฟุ้งซ่านคนที่ใจลอยปรับให้จิตมาเป็นปกติเนี่ยพอดีพอดีนี่ยังง่ายกว่าคนที่จิตมันเพ่งเข้าไหนแล้วจะปรับให้มันเป็นปกติยากกว่าเพราะว่าจิตมันทําเป็นนิสัยแลย้วจนกระทั่งมันกลายเป็นมันกลายเป็นแบบแผนของมัน ธรรมานี้ก็เป็นนะพอเราทำมากๆเพลงเข้าไหนเนี่มากๆเนี่ยเครียดมากเพียงแค่ยกมือก็เครียดล้ะแค่ยกมือสร้างจังหวะนี่ยังไม่ทันจะครบสิบสี่จังหวะเลยนะมันเครียดเลยคล้ายๆว่ามันเหมือนกับว่าแผลมันช้ำนะแผลมันช้านี่พอไปแตะมันนิดเดียวนี่มันก็เจ็บเลยการบังคับติดมากๆนี่มันส่งผลเสียหลายอย่าง เพราะนั้นเนี่ยก่อนเวลาก่อนทำหรือระหว่างทำก็ลองสำรวจดูว่าเราเนี่ยวางใจเป็นยังไงทำใจสบายๆหรือเปล่าหลวงพ่อเทียนใช้ท่านใช้คาว่าทำเล่นๆไปเลยเพื่อจะได้ไม่ไปไม่ไปยึดติดถือมั่นนะกับอ่ากับผลที่จะเกิดขึ้นก็คือให้ทำด้วยไม่ให้ทำด้วยความอยากได้อ่านพระสูตรบทหนึ่งนะ ท่านพูดถึงอริยมรรคว่าเปรียบเสมือนยานและท่านก็พูดว่าเนี่ยสตินี่เหมือนกับสารทีของยานนี้แล้วก็ปัญญาก็ดีชานก็ดีเนี่ยเปรียบเหมือนเพลาและท่านก็พูดเปรียบพูดถึงความไม่อยากนะว่าเป็นเสมือนประทุนประทุนลดไอ้ความไม่อยากนี่น่าสนใจนีความไม่อยากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ การประกอบสร้างอริยมรรคขยานความไม่อยากนี้ไม่ใช่ไม่อยากในกรรมอย่างเดียวนะมารวมถึงไม่อยากที่จะมีจะเป็นด้วยนักปฏิบัติบางทีเนี่ยทำด้วยความอยากเนี่ยไม่ใช่อยากในกรรมนะแต่ว่าอยากมีอยากเป็นอยากได้คุณวิเศษบางอย่างดังนั้นในการที่จะเข้าถึง หรือว่าทำให้อริยมรรคไยาณ น, นี้เกิดขึ้นได้นี้ความไม่อยากนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะก็คือวางความอยากุงเซให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะถ้าทําก็ทาด้วยฉันทะดีกว่าฉันทะคือความพอใจที่ได้ทําไม่ใช่ทําด้วยตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีสองอย่างคืออยากทํากับอยากได้ นักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยอยากได้อยากได้คุณวิเศษอยากได้รูปน้ำอยากได้ความหลุดพ้นก็อาศัยความอยากนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวบังคับให้ต้องทำไม่ได้อยากทำนะแต่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขให้ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำด้วยความรู้สึกที่มันต้องบังคับ หรือไม่ต้องเอาเอ า, เอาต้องเอารองางวัลเข้าล่อเพื่อจะได้มีความเพียรอันนั้นเนี่ยจะใช้กับการเรียนหนังสือทำได้นะจะใช้กับการทำงานทางโลกก็ได้มันก็สาเร็จเหมือนกันแต่ว่าไอ ง, งานทางทำหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นแล้วใจเนี่ยมันไม่สมดุลใจมันใจมันเอียงใจมันไม่เป็นปกติแล้วเพราะมันมีความอยาก งั้นต้องทำให้ใจเนี่ยสมดุลให้ได้นอกจากการทำเล่นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควบคู่กันนะที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันสัมพันธ์กันมากนะก็คือรู้ซื่อๆนะหรือว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆรูเ้เฉยเนี่ยมันแปลว่าอะไรเกิดขึ้นก็สกแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ไป ทำอะไรกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราทาด้วยความอยากเนี่ยมันจะไม่รู้สื่ อ, อนะพอเห็นนี่ก็จะเข้าไปตับบก็จะไปกดข่มเลยพอมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะเข้าไปกดมันนะทำอะไรกับจิตก็ได้เพื่อให้มันหรือทำอะไรกับอารมณ์นั้นก็ได้เพื่อให้มันหายไปอันนี้ไม่ใช่รู้สื่ อ, อนะรู้ ส, สื่อคือรู้เฉย คือโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่กดข่มมันมันแล้วก็ไม่ทำตามมันเป็นทางสายกลางถ้าทำตามมันคือทำตามความคิดทำตามกิเลสทำตามความโกรธก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าไปกดข่มมันก็ไม่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าไปกดข่มมันเนี่ยมันมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าได้ใจ ยิ่งห้ามก็เหมือนกับยิ่งยุกนะมันไม่ใช่วิธีการที่สาเร็จมันมีหมาประเภทหนึ่งนะประเภทที่เจ้าของเนี่ยรักมันมากแล้วก็เลี้ยงมันอยู่ในบ้านแต่เวลาเจ้าของไม่อยู่ออกไปทำงานที่บ้านเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยมันจะกัดพรมกัดเฟอร์นิเจอร์ บางทีมันก็ขี้ใส่พรมใส่โต๊ะนะหรือว่าโซฟาเจ้าของกลับมาเห็นก็จะว่ามันแต่ว่าพอวันต่อมามันก็ทําอย่างนั้นอีกคราวนี้เจ้าของไม่ว่าเจ้าของตีมันพอตีมันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับได้ใจมันก็ทําอีกยิ่งตีมันหรือถึงขั้นเอาไม้ฟาดมันเนี่ย มันกลับทําหนักขึ้นจนกระทั่งเจ้าของเนี่ยหมดปัญญาอันนี้ผู้รู้ทางด้านสุนักวิทยานเนี่ยนะเขจะบอกว่าเจอมาแบบนี้เนี่ยแก้งทําเป็นไม่สนใจมันไม่ต้องดุดา่ามันไม่ต้องลงโทษมันไม่ต้องตีมันเพียงแค่ไม่สนใจมันเท่านั้นแหละมันก็จะค่อยๆเลิกทําไปเอง าทำไมนะเพราะว่าที่มันที่มันทาอย่างนั้นที่มันที่มันกัดมันเยี่ยวเนี่ยเพราะมันต้องการเรียกร้องความสนใจและยิ่งเจ้าของไปตีมันมันก็ยิ่งรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วสำเร็จทำอย่างนี้แล้วเจ้าของเนี่ยใส่ใจเจ้าของสนใจมันก็ยิ่งทำใหญ่แต่พอเจ้าของไม่สนใจมันเนี่ยโอ้มันก็รู้แล้วมันก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันทำนี่ไม่ถูก มันจะรู้สึกเสียใจที่เจ้าของไม่สนใจมันเลยแล้วมันก็จะรู้ว่าเป็นเพราะมันทําผิดเป็นเพราะว่ามันทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันก็จะค่อยๆเลิกทําไปเองไอ้ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่มันรบกวนจิตใจเราบางทีก็ไม่ไมตายจากหมายประเภทนี้นะก็คือว่ายิ่งเราไปกดข่มมันยิ่งเราไปทําอะไรกับมัน มันก็ยิ่งได้ใจก็ยิ่งโผลยิ่งผุดแล้วพอเราทำกดข่มมันมากขึ้นมันก็มาใหญ่เลยทีนี้เราเป็นไงถ้าเรามีความอยากเราต้องการความสงบเราได้ความสงบพรามากมากเนี่ยเราก็เริ่มจะหงุดหงิดแล้วก็เริ่มจะจะเรียกว่าคลั่งเลยก็ได้ หลวงพ่อมกำเข็งเคยเล่าถึงหลวงตารูปหนึ่งซึ่งท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันแต่ว่าทําำดูแล้วหน้าทําหน้าดำํำขํามเคร่งมากท่านก็พยายามไปควบคุมความคิดทําไปทํามามาเห็นอคทีก็เห็นภาพรูปนี้เนี่ยเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บ่นขึ้นมาพูดมาทำไมมันคิดมากเหลือเกินว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินวะ นี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้สื่ อ, อพยายามที่จะไปควบคุมบังคับจิตซึ่งมันก็กลับยิ่งต่อสู้หนักขึ้นแล้วยังไงเราก็แพ้มันถ้าเราใช้วิธีพยายามควบคุมบังคับหรือผลักไสมันแต่วิธีที่จะสู้ไม่ได้คือรู้เฉยๆรู้สื่อๆรู้สื่อๆรู้สื่อๆมันมีความหมายนะ ว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ผลักสายเราก็ไม่ไขว่คว้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลอกุศลวิตตกความกิ่ฟุ้งสร้างก็ไม่ผลักสายอารมณ์ที่ดีน่าพึงพอใจก็ไม่ไขว่คว้ารู้ ส, สื่อในใจเรียกว่าอีกอย่างก็ได้ว่าวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางคือว่า มีความสงบก็ไม่ได้ชอบฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ชังไม่มีความชอบหรือชังแค่ดูมันด้วยใจที่เป็นกลางส่วนพอมเกียวบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ใช่คิดดีเอาคิดไม่ดีไม่เอาผักใสไม่ใช่อันนี้เรียกว่าไม่เป็นกลางอันนี้เรียกว่าไม่ใช่รู้สื่อแล้วหลายคนเนี่ยจะมีอคตินะ จะมีอคติต่ออารมณ์นะถ้าสงบนี่นะจะชอบ ป, ปลดปรานมากแต่ว่าถ้าเป็นความเป็นความเบื่อความหงุดหงิดนะหรือว่าความว้าวุ่นจะไม่ชอบและถ้าไม่ชอบจะทำยังไงต่อก็ต้องจัดการกับมันอันนั้นแหละคือปัญหาพอไปจัดการก็คือจัดการด้วยการพยายามกดข่มผักสายมัน ซึ่งก็เท่ากับเป็นการให้อำนาจกับมันเวลาเราไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบสิ่งใดก็ตามเนี่ยเรากาลังให้อำนาจกับสิ่งนั้นเมื่อวัยรุ่นนะเห็นสิวแล้วไม่ชอบก็เท่ากับว่ากาลังให้อำนาจกับสิวนั้นพอเห็นสิวทีไรก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยสิวไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบใจที่พยายามผลักไส มือนก็เสียงที่ดังหมาเห่าเมื่อเช้าเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะปะนัญหาคือใจที่ไม่ชอบใจที่ผลักไสผัดสะเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าจะผัดสะเรื่องแล้วก็ตามนะแต่เพราะว่าใจมันปรุงแต่งไม่ว่าลบหรือบวกสระปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นลบความไม่ชอบอารมณ์ความคิดที่ปรุงแต่งเกิดขึ้น ใจไม่เป็นกลางถึงแม้ว่าดูเหมือนจะรู้ทันนะรู้ว่ามีความกรธเกิดขึ้นนะรู้ว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นทําไมมันไม่หายหลายคนจะพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้วางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างแท้จริงเป็นสติที่ไม่บริสุทธิ์ จริงๆกับสติบริสุดอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีสิ่งเจือปนก็คือความอยากเราอยากสงบเราก็เลยไม่ชอบความฟุ้งซ่านเราก็เลยไม่ชอบความเบื่อสตินั้นเปลี่ยบเหมือนน้ำก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าน้านั้นเจือด้วยน้ามันเนี่ยมันจะดับไฟได้ไหมทำไมบงคบอว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธทาไมไม่หายนะก็เพราะว่า สตินะที่ไปรู้ความโกรธนะั่นนะ่ะมันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์นะแต่มันเจอด้วยความไม่ชอบอยากจะให้ความโกรธนะั้นหายไปความรู้สึกลบต่อความโกรธในใจมันแฝงความโกรธที่มีต่อความโกรธเอาไว้ด้วยนะความไม่ชอบคือโทสะชนิดหนึ่งมันก็เลยเปียกเหมือนกับ น, น้าที่เจอด้วยน้ำมัน มันไม่สามารถจะดับไฟได้ความโกรธเหมือนกับไฟถ้าเป็นสติเพียวๆสติบริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับ น, น้ำนะที่ไม่มีน้ํามันเจือปนมันก็ดับไฟไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนว่าทําไมรู้ว่ารู้ว่าโกรธทําไมไม่หายก็เพราะลึกๆเนี่ยใจมันมีความรู้สึกชิงชังความโกรธนั้นอยากให้ความโกรธหายไป มันก็เลยไม่ได้รู้เฉยเฉยไม่ได้รู้ซื่อซื่อแต่มันมีความรู้สึกไปกดข่มความโกรธด้วยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยก็มีความกลัวมากนะกลัวสารพัดเลยกลัวความเมือ่อกลั ว, ก ล, วกลัววิตกกลัวเพี้ยนแล้วเขาก็พยายามที่มีสติรู้นะ เวลาความกลัวเกิดขึ้นก็รู้ว่ากลัวกลัวกลัวแต่ว่าก็เผลอหลุดเข้าไปในความกลัวทุกครั้งความกลัวไม่หายเลยทั้งที่เขารู้สึกว่าเขาพย า, ยามกำหนดรู้นะว่ากลัวกลัวแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาลึกขึ้นมาในใจว่าถ้าความกลัวจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตก็โอเคฉันรับได้ รากว่าจิตนี่มันเบาเลยนะจิตมันเบาตอนที่บอกตัวเองว่าโอเคถ้าจะกลัวไปตลอดชีวิตแบบนี้ฉันก็รับได้นั่นแหละทำไมมันหายไปทำไมเขาสึกดีขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มยอมรับความกลัวได้ใจเขาเริ่มเป็นกลางต่อความกลัวใจเขาเริ่มเป็นกลางกับความกลั ว, ก, ก, ล ก, ว, ก, ลวก็คือว่าจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไร ให้ความรู้สึกแบบนี้ต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะคือว่าเวลามีความเบื่อจะอยู่ก็อยู่ไปนะฉันไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไปกําหนดรู้ด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแกนะฉันจะต้องจัดการ แ, บบแกถ้ามีความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันแสงอยู่ในในการกําหนดรู้หรือว่าในการรู้ด้วยสติเนี่ยเท่าเท่ากับว่ า, วามันกําลังมีน้ํามันเจืออยู่ในน้ําที่เรา เอาไว้ดับไฟสำรวจใจของเราให้ดีนะนะว่าใจของเราเนี่ยเป็นกลางกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเรารู้ซื่อจริงจริงหรือเปล่าสิ่งที่จะชี้ว้ว่าเรารู้ซื่อหรือว่าเราใจเป็นกลางคือว่าเรายอมรับมันเรายอมรับมันได้มันจะมีความฟุง้งซ่านจะมีความมุ่งว่าบุ่น มันจะมีความเบื่อเออจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไรฉันก็จะเพียงแค่รู้เฉยๆลองถามใจแล้วว่าเราโอเคไหมเรายอมรับมันได้ไหมถ้าเรายอมรับไม่ได้แสดงว่าใจเราไม่เป็นกลางและจริงๆเนี่ยนะก็แสดงว่าเรายังมีความหลงอยู่เพราะว่าความเบื่อก็ดีความว้าวุ่นก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีหรือนิวรถ้าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหานะ ปัญหาคือใจที่ไม่ยอมรับมันใจที่พยายามกดข่มมันถ้า เ, าเป็นการเจริญสมถะกรรมฐานโอเคการที่พยายามจัดการกับนิวรณ์ให้มันหายไปอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเมื่อมันหายไปใจก็สงบแต่การเจริญสติเนี่ยนะเราไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สิ่ ง, งต่างๆตามที่เป็นจริงโดยที่ไม่ผักสไม่ไขว่คว้า เห็นมันอย่างที่เป็นแล้วก็อันนี้แหละการวางจิตแบบ น, นี้แหละที่จะทำให้เราสามารถยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการเห็นความจริงไม่ใช่บังคับจิตให้เป็นอย่างที่เราต้องการการรับรู้จิตอย่างที่เป็นจริงรับรู้กายอย่างที่เป็นจริงนะไม่ใช่บังคับหรือควบคุมให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยาก อันนั้นเ ร, เรียกสมรรถะแต่ว่าในการที่จะเห็นความจริงเนี่ยก็ต้องเห็นบางอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันอยากเห็นมันหรืออยากให้มันเป็นอย่างที่เราหวังมลในแง่ของการเจริญสติมลในแง่ของการทำพิปัสนาความความโกรธก็ดีนะถ้าเราเห็นมันความฟุ้งซ่านก็ดีถ้าเราเห็นมัน ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมันแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขแล้วไม่เห็นมันเคลิ้มหลงไหลมันอันนี้ไม่ดีมีความสงบแล้วไม่รู้นะหลงไหลหายก็ไปในความสงบนั้นอันนี้ไม่ดีอันนี้หมอในมุมของการเจริญ ป, ปัสสนานะอาจจะดีในแง่ของสมถ ก, กรรมฐานคือใจสงบแต่ว่าในการเจริญ ป, ปัสสากรรมฐานแล้ว อะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นถ้าเห็นมันเพราะว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลมันรู้แล้วแต่สอนตายักหรือว่าแสดงตายักให้แกเ่เราพิปัญนาเราเจอิปัสนาก็เพื่อเห็นตายรักเพื่อเห็นความจริงและความจริงนั้นก็สามารถจะปรากฏหรือว่าแสดงให้กับเราไม่ว่าจะมาจาก ความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะมาจากสุขเวทนาทุกเวทนาไม่ว่าจะมาจากความสงบหรือว่าความว้าวุ่นก็ตามลองฝึกใจให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้หรือว่าฝึกใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้และถ้าเรายอมรับมันนะมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเอง เมื่อคนที่มาบ้านแล้วเราเอาแต่ขับสายไล่ส่งเนี่ยเราไม่ชอบเขาเขาก็เป็นศัตรูกับเราเขาก็จะแกล้งเราด้วยการอยู่ด้วยการตือ้อให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้ผักสายไล่ส่งเขาเขาจะมาก็มาเราปฏิบัติเขามากับเพื่อนเพื่อนบ้านเขาก็จะกลายมาเป็นนี่กับเรา แล้วก็รู้จักเกรงใจถึง เ, เวลาเขาก็าไปอันนี้ลองวางใจให้ถูกนะว่าทาไมเราทอย่างไรเราจะวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราหรือเกิดขึ้นกับกายของเราได้ทุกขเวทนาที่เกิดกับกายเราก็เช่นเดียวกันเช่นความปวดความเมื่อยลองสังเกตว่าเรามีใจที่ผักสายมันไหมถ้าเราผักสายมันเมื่อไหลนะเราจะไม่ใช่แค่ เมื่อยกายแต่เราจะปวดใจด้วยคนที่เขายอมรับรเวทนาได้ยอมรับความปวดได้เนี่ยเจะมีแต่กายที่ปวดนะแต่ว่าใจนี่จะปวดน้อยมากใจยิ่งแผลงผักสายมันเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูใจเราผักสายไหมต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ผักสายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีไม่ใช่ทางเคลิมคลอยไหลหลงก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ความเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่รู้สู้ๆฉะนั้นสองหลังเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัติคือทำเล่นๆแล้วก็รู้สู้ๆลองไปพิจารณากัวการปฏิบัติของเราว่าเราได้ได้ใช้หรือว่าได้ทาตาม แนวทางหรือหลักที่ครูบาจารย์หรือพระหลวงพ่อเทียนท่านได้สอนหรือเปล่า